เรื่องพระโสริยะเทระพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบพระโสริยะเทระในโสริยะนครบุตรเศรษฐีโสริยะนั่งยานออกจากนาครไปพร้อมกับสหายผู้หนึ่งเพื่ออาบน้ำห้อมล้อมด้วยบริวารเป็นอันมากขณะนั้นพระมหากัจยนานะเทระกำลังห่มผ้ายืนอยู่ที่ข้างนอกพระนคร เพื่อประสงค์จะ บ, บินธบาีในเมืองโสรายานะครก็สรีระของพระมหาเทระมีสีดังทองคาลูกชายของโสรายะเศรษฐีเห็นท่านแล้วคิดว่าสวยจริงหนาพระเทระรูปนี้ควรเป็นพัญญาของเราสรีระพัญญาของเราพึงเป็นสีแห่งสรีระของพระเทระนี้เพียงแค่สักแต่ว่าคิดเท่านั้นเพศชายของบุตรเศรษฐีก็หายไปเพศหญิงได้ปรากฏขึ้นแล้ว เขาละอายจึงเดินลงจากยานนี้ไปชนทั้งหลายจำบุตรเศรษฐีไม่ได้แล้วก็เดินไปสู่ทางยังเมืองตักกศิลาฝ่ายสหายของนางเที่ยวค้นหาครั้นกลับปฏิบ้านก็ไม่พบพ่อแม่เที่ยวค้นหาก็ไม่พบคิดว่าบุตรตายแล้วจึงทำพิธีศพให้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจนางเดินทางไปกรุงตักกศิลาไปแต่งงานกับบุตรเศรษฐี มีบุตรที่เกิดจากท้องของตนอีกสองคนนางจึงมีบุตรสี่คนเพราะมีบุตรเมื่อครั้งเป็นชายที่โสระยะนคร อ, อีกสองคนทรงตรัสเรื่องของบุปกรรมว่าจริงอยู่พวกผู้ชายที่ไม่เคยเกิดเป็นหญิงเลยไม่มีแม้พวกผู้หญิงก็เหมือนกันที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายก็ไม่มี เพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติล่วงเกินการเมสุมิชาจารในพัญญาของผู้อื่นไม่ในนรกสิ้นแสนปีเมื่อกลับมาสู่มนุษย์ย่อมมีภาวะผู้หญิงเส้นหนึ่งร้อยอัตภาพถึงแม้พระอานุนก็เถอะบำเพ็ญบารมีมาตั้งแสนกับท่องเที่ยวในสงสารในอัตภาพหนึ่งเกิดเป็นตระกูลนายช่างทองทำการเมสุมิชาจารในพัญญาผู้อื่น ไม่ในนรกแล้วด้วยผลกรรมที่ยังเหลือได้กลับมาเป็นหญิงบัมเรอแก่ชายในสิอัตภาพถึงความเป็นหมันในเจ็ดอัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญให้ทานตั้งความปรารถนาขอจงเป็นอัตภาพผู้ชายรั้นทากาละคือตายแล้วย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายพวกหญิงที่มีสามีเป็นเทวดา ย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจปรนิบัติสามีดีย่อมได้อัตภาพเป็นชายส่วนบุตรชายเศรษฐีนี้ยังจิตของตนให้เกิดขึ้นโดยไม่แยบขายคืออายนิโสมณสิการคิดอกุศลจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีนางตั้งครันเพราะอาศัยอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีกรุงตักกัสลา อ, อมานางได้พบเพื่อนเก่าซึ่งเดินทางมาจากโสริยานครจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเพื่อนเก่าได้พานางไปขอขมาต่อพระมหากจจยนะรเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงอดโทษแก่ผู้หญิงสหายของกระผมด้วยพระเทรา ถ, ถามว่าเรื่องอะไรกันเศรษฐีบุตรกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในการก่อนคนผู้นี้เป็นชายเป็นสหายของกระผม พบท่านแล้วใน้ิดอกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้เพศของเขาที่เป็นชายได้หายไปเพศของหญิงได้ปรากฏแล้วขอท่านจงอดโทษเถิดท่านผู้เจริญพระเทรากล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจึงลุกขึ้นฉันอดโทษให้เธอเขากลับเพศเป็นชายแล้วสลดสังเวช ท, ที่ตัวของตนคนเดียวมีลูกเมื่อครั้งเป็นชายสองคนและมีลูกที่เกิดในท้องของตนอีกสองคน ถึงอาการแปลกๆในอัตภาพเดียวจึงขอบวชเที่ยวจาวริกไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับนามของท่านชื่อว่าโสรายะเถระชาวเมืองรู้ข่าวก็แตกตื่นถึงเรื่องราวของโสรายะที่เกิดขึ้นในอดีตต่างถามกันเซ็งแซ่วว่าบุตรคนไหนเกิดตอนเป็นผู้ชายบุตรคนไหนอาศัยท้องเกิด สิเนหาในบุตรจำพวกไหนกว่าจำพวกไหนพระเทระรำคาญใจที่จะตอบคำถามจึงหลีกไปอยู่แต่ผู้เดียวเริ่มตั้งความสิ้นไปเสริมไปในอัตภาพบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วต่อมาชนทั้งหลายถามท่านว่าท่านสิเนหามากในบุตรจำพวกไหนท่านตอบว่า ขึ้นชื่อว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนๆของเราย่อมไม่มีภิษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงวันก่อนยังพูดว่ารักบุตรที่เกิดแต่ในท้องมากเดี๋ยวนี้กลับพูดว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนๆ ไ, ไม่มีย่อมพยากรณ์พระอรหัตผลพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุททั้งหลายบุตรของเรา เห็นมักคัทัศนะด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วความสิเนหหาในบุตรทั้งหลายย่อมไม่เกิดเลยจิตเท่านั้นซึ่งเป็นไปในภายหลังนี้ย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจทำให้ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่ามารดาบิดาหรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทำให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วในกุศลกรรมบทสิบคือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามฝ่ายสุจริตมารดาบิดาหรือญาติอาจให้ทรัพย์มากมายก็เฉพาะในอัตภาพนี้เท่านั้นธรรมดาบิดามารดาก็ไม่อาจให้สมบัติมหาจักรพรรดิในทวีปทั้งสี่ได้ จะกล่าวไปใหญ่ในทิพยสมบัติในชาญเล่าและยิ่งในโล ก, กุตราสมบัติยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเลยแต่จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วยอมได้สมบัติเหล่านี้ทั้งหมดในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหล